<c oughs> ออเจริญพรท่านผู้สนใจไฟในการศึกษา ท, กทุกท่านจะนั่งตามสบายจะ้ะนั่งให้สบายๆนอจะได้ฟังธรรมสบายๆเพราะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวนั่งลำบากแล้วมันจะลำบากฟังคำก็ไม่สบาย <c oughs> วันนี้ก็ถือโอกาสว่าเป็นโอกาสดีกว่าหนึ่งเนาะที่เราจะได้มาเรียนรู้เรการทําความรู้สึกตัวเรื่องการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกขซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราได้เรียนและปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นแกนสารอของคําสอนพระพุทธศาสนา เมื่อเราได้ทําสิ่งนี้ก็ถือว่าเราได้สืบอายุพระศาสนาไปในตัวช่วยกันจันลงไว้เราเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าทร ง, งมอบศาสนาไว้กับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเคยได้ยินไหมทําไมท่านบอกว่าศาสนารมของเรานั้นจะเจริญมีอายุยืนยาว หรือจะเสื่อมถอยไปก็ด้ดยพุทธบริษัทสี่ทั้งนั้นจะมีใครมาทำลายก็ไม่ได้ทำไมพวกองค์ถึงตรัสอย่างนั้นบอกคน อ, อื่นก็มาทำลายไม่ได้พา อ, อะไรรู้ไหมไม่รู้รอ เพราะว่าภาะวะแห่งความเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับ ใ, ใครครในใครดับทุกข์เพาะฉภาวะแห่งความเปนทุกข์อยู่ที่ใครภาะวะแห่งความหลงเป็นทุกข์อยู่ที่ใครภาวะแห่งความเข้าถึงความไม่มีทุกข์อยู่ที่ใครนั่นแหละคือเหตุผล ทำไมพระองค์ถึงบอกว่าใครจะมาทําลายก็ไม่ได้นั่นเพราะว่าภาวะแห่งคุณธรนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหญิงหรือยมผู้ชายยมผู้หญิงภาวะแห่งความผลทุก์มีอยู่แล้วในทุกทุกคนภาวะแห่งความไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอะไร มีอยู่แล้วในทุกๆคนไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนาไม่เลืกอกเผพันธุ์ใดๆทั้งนั้นนะจริงนั่นเพราะว่าพระพุทธทรงตรัสเรื่องความไม่ทุกข์นั้นมันมีอยู่ใช่ั้ย ความไม่รู้จึงทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ปะ่ะถูกปะความไม่รู้นำพาให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจความจริงว่าเราไม่ได้ทุกข์แต่แลกอยู่แล้วว่าพระวจนะตรัสว่าความไม่ทุกข์นั่นมันมีอยู่แต่เพราะความไม่รู้จึงทำให้เราไม่ไปเห็นภาวะความไม่ทุกข์ ฟังให้ดีนะเราไม่ไปเห็นความไม่ทุกข์เองเพราะเวลาเราปฏิบัติเราก็เผอไปปฏิบัติเพื่อไปฆ่ากิเลสกันต้องไปทำลายกิเลสต้องไปฆ่ากิเลสต้องไปกำจัดนิวรณ์คำนี้ได้ยินบ่อยไหมฮึ่ม เราต้องกําจัดนิวร อ, อันดับแรกต้องกําจัดนิวรณให้ได้ใคยได้ยินไหมต้องการการทำลายกิเลสให้หมดเราถึงจะพ้นทุกข์ใครได้ยินไหมคาพวกนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมติวัญญััิฝังหัวเราพอเวลาเราจะปฏิบัติ <c oughs> เราเลยทำอะไร มุ่งมั่นกำจัดนิวรณนมุ่มงมั่นฆ่ากิเลสไปทำงานที่มันไม่มีอยู่จริงอยู่เนั่นนะเข้าใจคำว่าไปทำงานที่มันไม่ได้มีอยู่จริงไหมก็อนนิเมื่อนิวราใ น, น ก, กิเลสมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ฆ่ามันมันก็หมดเองไม่ฆ่ามันมันก็ดับเองอยู่แล้ว ไม่ต้องกำจัดมันมันก็ดับเข้าใจความหมายไหมเออเราก็เลยไปทำงานที่มันไม่ไม่เป็นจริงไงส่วนงานที่เป็นจริงอะ่ะเราดันไม่ไปทำงานที่เป็นจริงคืออะไรหาตรงที่มันไม่ทุกข์ตรงที่มันไม่ทุกข์มันมีอยู่แล้วภูชาวบอกเราไม่ไปหาตรงนั้นแต่เราไปทำงานที่มันไม่เป็นจริง เมื่อมืมันเริ่มต้นทํางานที่ไม่เป็นจริงมันจะสําเร็จไหมอือไปทํางานที่ไม่ใช่งานที่มันไม่มีจริงจะสําเร็จไหมอืมแต่ที่มีอยู่จริงอ่ะเราไม่ไปหามันเพราะถ้าทํางานในที่มีอยู่จริงมันก็จะสําเร็จจริงเอาจริงไม่จริงอืมมีเลยไม่อยู่ภายใต้กฎพระไตรลัก ไม่มีหรอกกิเลสพันธตัณหา1้8แดก็อยู่ภายใต้กฎพระไตยลักษ์ไหมนิวร อ, อยู่ภายใตย้กฎพระไตรลักษ์ไหมเออนั่นน่ะสิแล้วเราจะไปกำจัดมันทำไมแทนที่เราจะรู้จักกับมันเฉยๆรู้ว่ามันมีแล้วทำให้ใจเราไม่ถูกอ่ะนั่นแหละ เมื่อเรารู้ว่ามันมีแต่ใจเราไม่เป็นภัยอะไรกับมันเราก็ไม่ทุกข์กับมันฟังดูแล้วอะไรมาันจะง่ายผ่านนั้นเออฟังแล้วดูง่ายไหมฟังแล้วดูง่ายไหมแต่ฟังว่าพอเราจะไปกำจัดกิเลสรู้สึกยากไหมไปฆ่าไปกำจัด รู้สึกเป็นบาปด้วยต้องไปฆ่าไปกำจัดเอยฉันไม่อยากฆ่ากิเลสฉันกลัวบาปไม่ใช่หรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์พูดคํานี้ก็เพราะว่าพอเราไปคิดว่าเราต้องกําจัดกิเลสให้หมดหรือต้องกําจัดกิวอนอั น, นี้วอนให้หมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเราก็จะไปมุ่งมั่นสร้างกระบวนการอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมาย นะสร้างอะไรกระบวนการอะไรไมันเยอะแยะมากมายเพื่อจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นที่แย่ไปกว่า น, นั้นก็ก็คือได้ยินมาว่ากิเลสมันเกิดจากการปรุงแต่งของเราก็ไปสร้างกระบวนการอะไรก็ได้ที่จะทําให้ฉันไม่ปรุงแต่งและง่ายที่สุดคนก็ไปคิดอีกว่าการปรุงแต่งก็คือความคิดเพราะฉะนั้น วิธีการจัด ก, การกิเลสของฉันก็คือไม่ให้มันคิดเห็นไยังพอบอกไม่ให้มันคิดปุ๊บทำไงจ๊ะไม่สรรหาวิธีบังคับจิตสะกดจิตตัวเองเข้าใจยังให้เนี้ยมันก็เลยไหลเข้าไปสู่การทำสมาธิทุกรูปแบบ ทีกดข่มจิตใจตัวเองอืมืม่อสรรหาสมาธิทุกรูปแบบเพื่อกดข่มจิตใจตัวเองนั้นเป็นไปเพื่อบังคับจิตไม่ให้คิดแล้วก็รู้สึกว่าพอเราบังคับจิตให้สงบนิ่งได้ความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือนี่ไงฉันไม่มีกิเลสยิ่งเข้าสมาธิรียกล่อง เขาสมาธิได้ไวทรงชานได้นานนี่แหละฉันสำเร็จแล้วบานผู้ปฏิบัติหลายคนจึงหลงติดเรื่องความสงบและเข้าใจว่านั่นคือภาวะที่ตัวเองไม่มีกิเลสก็จริงอะแต่จริงขนจริงนิดนึงจริงไม่หมดจริงนิดนึง <laughs> จริงนิดนึง เพราะว่าภาวะนั้นคือการกดข่มไง้ช่วงแห่งการกดข่มนั้นมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกมันว่าเหมันหินทับยาเคจําได้ไหมเคย ด, ด้ยินไหมคำนี้เฮ้ยจะเรียกว่าหินทับยาแต่การปฏิบัติที่ไม่ใช่หินทับยาคือการปฏิบัติที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วทำไงอะ่ะจะรู้ตามความเป็นจริงได้ ปัญหาหนึ่งที่าอาจารย์เจอกับผู้ปฏิบัติอีกนี่นี่ปัญหาแรกไปแล้วนะปัญหาแรกไปแล้วเข้าใจไหมนี่พูดถึงปัญหาแรกเมื่อกี้ปัญหาอีกอยปนปัญหาหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่ไม่ก้าวหน้ากับการปฏิบัติหรือไม่เข้าถึงความจริงก็คือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่ตั้งเป้า ตั้งเป้าตั้งทงจะจะให้เป็นอย่างนี้ฉันอยากได้อารมณ์แบบนี้ฉันอยากปฏิบัติให้มันเป็นอย่างนี้แล้วพอตั้งเป้าตั้งทงไว้แบบนั้นปับ๊บก็เริ่มแสวงหาวิธีการกระบวนการตะเกียกตะกายไปมุ่งไปที่เป้าอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้น ระหว่างการเดินทางเพราะฉเราจรึงเจอผู้ปฏิบัติหลายๆคนที่พอตั้งเป้าว่าวันเนี้ฉันจะต้องสงบวันนี้ฉันจะต้องนั่งให้สงบให้ได้พอระยะทางเริ่มเดินทางระหว่างทางเจอความคิดคิดทําไม ระหว่างทางเจอความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอยู่ได้ระหว่างทางเจอความง่วงจะง่วงอะไรนั้งนานสังเกตไหมเราก็มัวไปลบลาค่าฟันจัดการกับความคิดอีกหรือไปหงุดหงิดไปไม่พอใจเพราะระหว่างการเดินทางกว่าจะถึงปลายทางที่ตั้งไว้ในวันนี้ คิดดูกันแล้วกันมันก็ไปวุ่นวายปฏิเสธกับอาการต่างๆที่ปรากฏเข้าใจไหมแล้วพอหมดเวลาวันนี้ไม่สำเร็จวันนี้แย่เลยครับบัลลังนี้ไม่สำเร็จเลยชื่อไม่ได้ฉัน ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเอาอีกแหละปัญหาที่สามชอบไปเปรียบเทียบกับอารมณ์เก่าที่เคยได้สัง เ, เกต ด, ดูไหมอาจารย์ทีนี้ยอมอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะสามปีที่แล้วนะยอมปฏิบัตินะบัรลังไนบัรลังนั้นนิ่งสนิทได้ตลอดก้าวหน้าดีดี ถ้าแยกหลังมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ก็ไม่รู้เป่พระอะไรพราอาจารย์พอเองหมจะคิดถึงสามปีที่แล้วอบบพอจะเริ่มทาปับ๊บผ่านไปหนึ่งนาทีไม่เม่อนมันสามปีที่แล้ววะผ่านไปห้านาทีอะไรวะท้ไมไม่ได้เหมือนสามปีที่แล้ววะสามปีที่แล้วเป็นผีมาหลอกหลอน เจอผีสามปีที่แล้วหลอกล้อนวนเวียนอยู่นั่นเลยมันก็ไปวนเวียนอยู่ไอ้นั่นอะเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นั่นอะอันเนี้ยปัญหาที่ทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้างเกินดูไหมหนึ่งไปทำในเรื่องที่ไม่เป็นจริงไปทำในเรื่องที่มันไม่ได้มีอยู่จริงนะะสอง ไปตั้งคงไปปฏิบัติฉันต้องเป็นอย่างนี้สามไปคิดถึงกันเรื่องอดีตสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นสมัยนี้เป็นอย่างนี้ใครเคยเป็นบ้างยกมือขึ้นยอมรับมาซะดีดีด้วย <Okay. S 1> <laughs> อที่พูดมาในะตัวเองทั้งนั้นแหละ ทีนี้เราก็มาดูอดีต ท, ที่มันจะเป็นผีมาหลอกลอนเรามันมาในรูปของอะไรมาในความคิดใช่หรือไม่การตั้งทงการนั้นก็คือกระบวนการการพยายามที่มองไปที่จุดใดจุดหนึ่งเกินไปแต่ไม่ไเรียนเรียนรู้ อะไรขณะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเข้าใจไหมมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันไปอยู่กับอนาคตมันเราใจไปผูกอนาคตว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมอีกอันหนึ่งก็ไปผูกกับอดีตเมื่อกี้ใช่ป่ะ เ, เจอเพียอดีตหลอกหลอนเจออนาคตเกี่ยวหัวไป ใช่ป่ะเห็นไหมทั้งหมดมันก็มาจากความคิดที่ตั้งผิดทั้งนั้นนะมันตั้งผิดตั้งทงผิดตั้งเป้าหมายผิดกับการปฏิบัติเอาแล้วต้องทำยังไงรกลับมาอยู่กับภาวะปัจจุบันแล้วเรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันแต่ละขณะ และเข้าใจกับมันในปัจจุบันนั้นๆแล้วเราจะเข้าใจความจริงว่าจริงๆเราไม่ได้ทุกแต่แรกแล้วภาวะแห่งความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่ในขณะนั้นนั่นแหละภาวะที่จะเป็นทุกข์ก็เป็นในขณะนั้นนั่นแหละแล้วภาวะที่ยังไม่เป็นทุกข์ก็อยู่ในขณะนั้นนั่นแหละไม่ได้อยู่ใดไหนเพราะฉะนั้นความรู้สึก เพราะว่าการทำความรู้สึกตัวมันจึงเป็นภาวะที่จะพาเราไปเจอกับสภาวะที่ความไม่ทุกข์นั้นมันมีอยู่ความทุกข์นั้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่ถ้าเราไม่รู้เมื่อไหร่เราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จกกักมันเราไม่ทุกข์นั่นคือ ดี่จำบอกว่าเราไปทำงานที่มันไม่มีอยู่จริงคือการพยายามไปกาจัดกิเลสไปจัดการกับตัว น, นั้นไปจัดการกับ น, นี้เข้าไปเป็นผู้จัดการอยู่ล้ำไปแต่ถ้าเราหันกลับมาเรียนรู้ในแต่ละขณะที่ปรากฏกับเราอะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้น ในปัจจุบันขณะนั้นนั้นแล้วเราอยู่กับความรู้สึกตัวในขณะนั้นเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างที่มันเป็นหรือเห็นขณะนั้นมีเผลอหลงเข้าไปเป็นกับสิ่งที่มันปรากฏเราจะพบความแตกต่า ง, งทันทีว่าเมื่อเราเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นกับเข้าไปเป็น มันต่างกันอย่างไรภาวะของความเป็นทุกข์กับภาวะของความไม่ทุกข์มันชี้ชัดกันลงในขณะนั้นเลยเข้าใจไหมมันอยู่ในขณะนั้นนั่นแหละมันชี้กันตรงนั้นเลย ต, ตรงนี้ต่างหากที่เราไม่เคยคิดถึงกันคุณสังเกตไหมล่ะ ในเวลาที่คุณปฏิบัติคุณเจริญสติก็มีบ้างที่มันจะเผลอเข้าไปเป็นกับอาการต่างๆมีไหมเหระพอเผลอเข้าไปเป็นเป็นไงทุกไหมเออแต่พอคุณรู้สึกตัวคุณรู้สึกตัวแล้วคุณไม่เป็นกับมันทุกไหมท่านทุกกับไม่ทุกอยู่ใกล้กันไหมหลวงพ่อคำขีนจึงบอกว่า ตอนท้ายชีวิตหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าผมไม่อยากสอนอะไรมากเลยจางชิดผมอยากสอนแค่ว่าเนี่ยไม่ทุกทุกไม่ทุกเนี่ยกับทุกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หลวงพ่อบอกเนี่ยเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยมันทุกกับไม่ทุกอยู่แค่นี้เขาบอกมันพริกกันอยู่แค่นี้อืม ยิ่งเดี๋ยวนี้มีกระแสชาตินี้ต้องเป็นโสดาบันกระแสนี้มาแรงนะกระแสนี้มาแรงสายนี้แข็งด้วยนะสายโสดาบันเนชาตินี้ต้องเป็นโสดาบันเพราะปิดอบายเนะี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งปิดขอที่ยูบวพุธมาคำถามนี้เยอะมาก ยกมือแซงยังหวาเป็นพระสวดาบันไดไหมคะความรู้สึกตัวที่พระอาจารย์บอกว่ารู้สึกตัวเรารู้ทันความคิดแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามจะสามารถทำให้เราละสักยทิฏฐิวิจิกิชฉาสีระพุตตะปรามาเพื่อเป็นพระสวดาบันได้ไหม hmm. เราก็เลยบอกว่า เป็นผู้ไม่ทุกดีไหมยอย่าอยากเป็นพระอริยะเลยไอ้ที่เป็นเหยื่อเขาอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอยากเป็นพระอริยะทั้งนั้นนะ่ะเจอผู้ไม่ละอายสิทธิแห่งการชี้ว่าใครเป็นอะไรเป็นสิทธิของใคร <Yeah. S 1> เอกสิทธิ์นี่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของใคร แม้แต่ภาษาลีบุตรแม้แต่พระมุคลานะซึ่งเป็นอัคราสาวกแท้ๆนั้นยังไม่มีสิทธิ์ไปชี้ไปประกาศว่าคนนั้นเป็นนั้นคนนี้นเป็นนี้เพราะสิทธิ์นี้เป็นของพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าป้องกันเอาไว้เพื่อป้องกันผู้ไม่ละอาย ที่จะหากินกับการอวดการบอกการโกหกนต้องบอกว่าถ้าจะเป็นพระอริยะถ้ามันต้องให้คนอื่นมาชี้กับเป็นผู้ไม่ทุกข์แล้วให้ตัวเองเนี่ยวัดตัวเองเลยว่าตัวเองทุกข์น้อยลงไหมคุณว่าอะไรน่าเชื่อถือกว่ากัน อืออันที่หนึ่งและอันที่สอ ง, อสองเพราะอะไร เ, เพราะเราเป็นคนชี้ชด้วยตัว เ, เองเราวัดด้วยตัวเราเองว่าเฮ้ยเราทุกข์น้อยลงไหมตัวเรายัางทุกข์ท่วมหัวอยู่อืมกับการที่ไปให้คนอื่นชีตอนนี้คุณเป็นสดาบาลแล้วนะอ๋อเหรอละเราก็เลยไปบอกคนอื่นเขาเนี่ยพระอาจารย์บอกฉันเป็นโสดาบันแล้วเนาะอ๋อเหรอโอดีจังเลยเดี๋ยวฉันต้องไปให้อาจารย์ดูบ้างแล้ว พระอาจารย์ครับตอนนี้จิตโยมเป็นไงฮะถึงพระสดาบาลลัลหรือยงังอืมกังลังแล้วอยู่ในโสดาบัิมรือยังว่ากันไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายผิดกับการปฏิบัติไม่ได้ตั้งเป้าหมายเรื่องการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ มันก็จะวนเวียนไปทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจไหมไปทำเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไปเรียนรู้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาชีวิตนี้น้อยนะักสั้นเหลือกเกินมันไม่ได้ยืนยาวเราไม่ควรจะเสียเวลาเนิ่นช้าขนาดนั้น รู้จักไหมจันทรุปราคาสรุปปาคารู้จักไหมมันคืออะไรเจ็บๆจ็จแ้จมันบจจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันคือมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วถูกะมันมันเกิดได้ยังไง มันเกิดจากการที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์สามอย่างเนี้ยมันอยู่ในระดาบเดียวกันใช่หรือไม่ถูกไหมมันจะอยู่ฝั่งไหนก็ช่างมันเถอะโลกจะอยู่ตรงกลางหรือดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลางก็ช่างใช่หรือไม่จริงปะมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางได้ไหมได้ไหมหได้ถ้าโลกอยู่ตรงกลางเรียกว่า <laughs> ถ้าโลกอยู่ตรงกลางเรียกว่าจันทรุปปลาคาเงาโลกบังดวงจันทร์ถ้าดวงจันทร์อยู่ตรงกลางสุรุปปลาคาเงาดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ใช่ไหมดว ง, งจันทร์มาทับโลกเข้ามาใช่ปะ <c oughs> <c oughs> การที่สามสิ่งนี้จะอยู่รันนับด้ยวยกันยากไหมยากไหม เนาะนานๆจะเจอทีหนึ่งใช่ปะ่ะแต่การที่สามสิ่งนี้จะเคลื่อนจากกันง่ายไหมเพราะเมื่อมันมันตรงปับเดวมันก็ย้ายออกอยู่แล้วอะใช่หรือไม่เพราะการที่เราจะได้เป็นมนุษย์เน่ะเทียบง่ายๆเนาะก็เหมือนแค่กวาที่มันจะมาลาหนาปเดียวกันได้อะแต่การที่เราจะหมดกับความเป็นมนุษย์อะ่ะคือหมดอายุอะมันง่ายเท่ากับ ตอนมันเคลื่อนออกจากกันน่ะคิดภาพบอกไหมสั้นไหมโอกาสมันสั้นไหมชีวิตนี้จึงน้อยนักมันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นเพราะฉะั้นถ้าทำาให้ดีเรียนรู้ให้มาตรงเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะ ทีอาจารย์พูดทั้งหมดไม่ได้ยกย่องเรื่องความรู้สึกตัวซะจนเลิศเลอกเกินคนอื่นแต่อยากจะบอกว่าความรู้สึกตัวจะพาคุณไปเข้าใจคํ า, าว่าทุกข์กับภาวะไม่ทุกข์เนี่ยได้ตรงกว่าไม่ได้เลิศเลอ ก, กว่าสายอื่นนะแ ต, แต่มันทําให้ตรงกว่าไวกว่าเท่านั้นเองเพราะเมื่อคุณรู้สึกตัวคุณก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกตัวคุณก็ทุกข์เท่านั้นเอง ก็อยู่แค่เนี่ยแม้ว่อคุณรู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์มื่อคุณไม่รู้สึกตัวมันก็ทุกข์จริงไหมจริงจริงไหมจริงจริงจริงไวเนาะแต่มันก็จริงนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์แม้คุณทุกข์ไปแล้วเพราะคุณรู้สึกตัวก็ยังทุกข์ก็ยังดับเลยคุณก็ปอกจากทุกข์ได้เลยอะ่ะใช่หรือไม่เออ ฟังอาจารย์พูดตรงไหมนี่ที่บอกว่าความรู้สึกตัวมันทําให้เราเห็นเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์ได้ตรงกว่าได้ไวกว่าจริงไหมเออไม่ต้องไปมัวทําจิตให้สงบดิ่งสู่อัปปนาสมาธิก่อนหรืออะไรก็ตามนะลงทําฌานกันไปก่อนถึงแปดฌานบางทียังไม่ถึงฌานหนึ่งเลยหมดเรื่องหมดแรงก่อนแล้วมัไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้ แค่รู้สึกตัวคนเข้าใจความหมายมแค่เรารู้สึกตัวเราก็ไม่ทุกพอไม่รู้สึกตัวมันก็ทุกหรือถ้ามันทุกแล้วกลับมารู้สึกตัวเราก็หลุดจากทุกใช่หรือไม่เพราะถ้าเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกมันตรงๆแค่เนี้จริง แต่ถ้าคุณคิดจะไปฆ่ากิเลสคุณคิดจะกําจัดโนนคาโนนคาอัน น, นี่คุณก็คิดเอาแล้วกันว่ามันต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนหลากหลายขนาดไหนที่จะทําอะไรบางอย่างเยอยะมากมายเพราะอาจารย์จําได้เลยว่าวันแรกที่อาจารย์พบหลวงพ่อเกียนหลวงพ่อบอกว่าไงล่ะ กิเลสจะมีอะไ ร, ระแอมทีเดียวก็หมดแล้วหลวงพ่อออกกแอมทีเดียวก็หมดกิเลส้อเราก็โอ้โหก็หลวงพ่อครับไม่ใช่ผมหลวงพ่อะทํามามเยอะแล้วหลวงพ่อนี่แล้วก็มันเนาะใจมันก็รองขึ้นเนาะลองคิดในใจอย่างนี้แหละคิดในใจก็หลวงพ่อไม่ใช่ผม ถามาพวกเราถ้าเจอคำคูดของพ่อแบบนั้นเราจะคิดมาได้ จ, จานไหมใช่ป่ะเป็นธรรมดาของผู้ไม่รู้ <laughs> เป็นธรรมดาของผู้ไม่รู้ก็ต้องคิดแบบนี้แหละนะว่าก็ห <laughs> ลวงพ่อไม่ใช่ผมเฮ้แต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอาทุกครั้งที่มันรู้สึกตัวมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่แรกอะ แล้วก็เลยว่อ๋อ <c oughs> ยังไงรู้สึกตัวไงโอ้มิน่าหลวงพ่อบอกแอนทีเดียวก็หมด <c oughs> รู้สึกตัว <c oughs> เอ้ยต่อให้ทุกขนาดไหนก็ตาม <c oughs> อือ ม, มันหนักกลับมาแล้วนะเนี่ย <c oughs> ใช่หรือไม่อ๋อมันกลับมาได้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ทุกข์แล้วนี่หว่าโอ้มิน่าหลวงพ่อพูดคำนี้เออ น, นี่แค่เพิ่งรู้นะเพิ่งเพิ่ ง, เ พ, งเพิ่งเข้ามาเรียนรู้เพิ่งมาเริ่มรู้แล้นี่ยังเข้าใจว่าเออวมันเป็นอย่างนี้เนาะคิดดูเราผู้รู้แล้วอย่างท่านท่านยังพูดชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเรามาทําเรื่องที่มันเป็นเรื่องเถอะเรามาเรียนรู้สิ่งที่มันมีอยู่จริงเรามาทํางานที่มันเป็นงานจริงไม่ใช่งานในความคิด ไอ้คิดคำจัดกิเลสคำจัดนี่วนะมันคิดทั้งนั้นอะเข้าใจไหมมันเป็นงานในความคิดมโนไปเองนั่นนะมโนเราคิดหาวิธีการสารพัดเห็นไหมทุกโยคยีหรือสีชีพในอินเดีย กำจัดกามทำไงเหล็กแหลมแทงเอวัยาว์เพศตัวเองโอหินมัด่วงเนี่ยเขาจะยังทำลายกามไอ้นั่นมันรู้เรื่องที่ไหนไอ้นั่นมันมันช่างน่าสงสารเหลือเกิน ความไม่รู้เหมือนที่มีพระองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลไงอวาัายวะของท่านก็แข็งแรงอยู่เรื่อยไงท่านก็รู้สึกว่าทำไมกามชันเยอะเหลือเกินเอามีดไปตัดเามีดไปตัดออกโอ้เสียเลือดดิจะตายเอาพระรีบช่วยกันพอพุทธเจ้าถามเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพิสูรรูปนี้ บนเรื่องว่าจะมีการมเยอะเลยเกินก็เลยเอามีดตัดดอกพระเจ <laughs> <m> ah> ้าบอกโมคะบุรุษสิ่งควรตัดไม่ตัดไปตัดสิ่งไม่ควรตัดเนี่ยพอคิดว่าต้องกาจัดต้องฆ่าต้องนั้นต้องนี่ยมันก็จะสรรหาวิธีจัดการอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะหลงทางแต่การผิดๆอย่างเงี้ยอืม เนาะแต่เมื่อพระองค์ทรงเข้าใจเรื่องสอนเรื่องการมีสติเรื่องความมีความรู้สึกตัวให้กับพวกเราเนี่ยนั่นคือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการปฏิบัติเราลองกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวตรงๆเนาะเออ ใครเคยฝึกมาเรื่องความรู้สึกตัวเคยฝึกเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องเจริญสติมาก่อนยกมือขึ้นมาที่นั่งๆั่งอยู่ไม่ยกมือนี่คือยังไม่เคยฝึกเหรอฮะใครยังไม่เคยฝึกเรื่องการเจริญสติยกมือขึ้นอ่าอ่าเคยยังเคยยังเคยนั่งเฉยเฉยเคยยัง ก็เคยเห็นหน้าคุณอยู่นะว่าไปปฏิบัติกายการอยู่แต่ถามไม่เห็นยกมือสักเรื่องตกงลงรู้สึกตัวไหม <ul> รู้สึกตัวไหมว่าอาจารย์ถามอะไรให้ <ul> เร า, อาวาขงข้อเข่าสองข้างมนาะ <ul> เรามาฝึกกันต่อเนาะ <c oughs> <c oughs> การ <c oughs> การเคลื่อนไหว ท, <c oughs> ที่ที่เราใช้ ใช้การเคลื่อนไหวสิบสจังหวะนี่นะฟังให้ดีนะมันเป็นเพียงกุสโลโบายที่เราฝึกเรื่องความรู้สึกตัวด้วยกันการเคลื่อนไหวสร้างจังหวะตอนนี้บางคนบอกมันไม่เห็นมีในพัะ์ไตรปิฎกหรือไม่เห็นมีครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนมีแต่คุณไม่มาเรียนเอง <c oughs> เขามีมานานแล้ว <c oughs> มิสติปีปีพศสองพันห้าร้อยนุนถอยลงบทเทียนสอนนุน <c oughs> ผ่านมาจึงหกสิบหกสิบเอ็ดปีแล้วนะไม่ไม่ใช่เรื่องสั้นๆนะนี่เรื่องยาวมาพอสมควรวิสตอรี่มาพอสมควรแล้ว <c oughs> และจริงๆเ็ามีมานานแล้วด้วยพระพุทธเจ้าทรงบรัญญัติอริยบท จริงๆเลยพระเจ้าบัญญัติเรื่องการมีสติระลึกรู้กับกายคืออะไรพอพูดถึงกายพอพูดแ้เจ้าจะบอกว่าหนึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกสองอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนสอิริรยาบถย่อยคู้เหยียดเคลื่อนไหวอันนี้เรียกว่ากายเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเรื่องกายโดยเฉพาะกายผ่านอิริยาบถ จึงเป็นเรื่องสำคัญแต่พอเราจะมาเอาอิรยบทที่เป็นธรรมชาติมันก็ง่ายต่อการที่จะเพ่อไปด้วยความเคยชินหลวงปู่เทียนก็เลยมาเพิ่มให้เกิดความตั้งใจทำโดยการประดิษฐ์ให้เป็นท่าขึ้นเห็นไหมคนที่ทำถือศีลจังหวะได้มันต้องตั้งใจไหม ต้องตั้งใจไหมแต่ต้องตั้งใจมากมายเกินไปไหมบางทีมันเผลอไปก็ไม่เป็นไรมันเผลอตั้งใจเกินไปมีอยู่ถ้ามันเผลอตั้งใจเกินไปมันจะเริ่มแน่นเริ่มอึดอัดก็ให้เข้าใจว่าอ๋อนี่มันตั้งใจเกินแต่ถ้าตั้งใจพอสบายสบายแล้วก็ทำไปความตั้งใจจะเป็นอาหารของความรู้สึกตัวนะแต่ความเคยชินจะเป็นอาหารของความหลง เพราะฉะนั้นหลวงปู่เทียนเลยต้องป้องกันป้องกันไม่ให้เราไหลไปสู่การทําด้วยความหลงก็เลยใส่ท่าประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเห็นไหมเพราะโดยทั่วไปไม่มีใครมานั่งทําท่าแบบนี้หรอกมันก็ต้องตั้งใจทําใช่หรือไม่แต่ถ้าตั้งใจมากไปมันจะมันจะอึดอัดมันจะเป็นการเพ่งจ้อง ตั้งใจาาสบายสบายเนี่ยตั้งใจทำตั้งใจทำทีละครั้งทีละครั้งจบลงทีละครั้งอย่างเงี้ยสบายสบายเนี่ยเนี่ยขยับก็รู้เนี่ยพอเคลื่อนปั๊บก็รู้หยุดก็รู้เนี่ยลงปั๊บวางก็รู้แค่นี้ให้รู้แค่เนี้สบายสบายแค่เนี้ย่ะเอามือวางข้อเขาเต็มตัวแล้วเราทากันดูนะแกงมือขวา ยกมือขวาเอามาที่ท้องแต่แขงมือซ้ายรู้ไหมนี่รู้ไหมรู้ไหมว่าจะยังแต่แขงมือเออพอถามรู้ไหมนี่ยังงงงรู้อะไรไม่ต้องไปถามว่ารู้สึกไหมนี่ะรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ามีการเคลื่อนแล้วหยุดมือรู้สึกไหมเออให้แค่รู้ตรงนี้นะยกโอซ้ายขึ้นฮึให้รู้นะ เอามาที่ทองขมือขวาขึ uniform, ้นอกุ๊บเนี you know S, ่ยก็รู้พระก็ไปข้างๆเนี่ยก <mos> ็ร <po> oh ู si ้พระองมันจะแข่งไว้ก็รู้ความลงก็รู้ยกขวาซ้ายขึ้นก็รู้พระมือซ้ายไปข้างๆก็รู้พระองมันจะแขงไว้ก็รู้ความลงก็รู้จะแขงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องจะแขงมือซ้าย ยกซ้ายเอามาาทที่อองเมือขวาขึ้นหน้าอกปรับไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้ความลงซ้ายขึ้นหน้าอกผลักออกไปข้างๆเอาลงมาตะแคงไว้ความลงตะแคงมือขวายกมือขวาเอามาที่ท้องตะแคงมือซ้ายยกมือซ้าย ามาธิท้องเอามือกขวาขึ้นหน้า อ, อกพรกออกไปข้างๆเอาลงมาตะแ็งไว้ความลงเอาเบซ้ายขึ้นหน้า อ, อกพรกออกไปข้างๆเอาลงมาตะแ็งไว้ความลงจำได้ไหมจาได้นะเออตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งโอเคนะพร้อมจะทาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนาะแล้วสังเกตดูว่าเกิด อ, อะไรขึ้นกับเรา พร้อมแล้วเริ่ม เวลามือเราวางที่ท้องนะัก็เหมือนวางไปจริงๆนะวางไปเนี่ยปับพักไปเลยนะพอเรื่องก็ไปวางที่หน้าอกก็พักไปจะไปอังหนะ้าอกเฉยเฉยจะไปอังหนะ้าท้องเฉยเฉย มันจะเป็นการเกรงเวลายกมือใส้จังหวะก็ไม่ต้องไปหลับตาแล้วแค่สำรวมสายตาอยู่ในที่ที่อนควรของสายตาไม่ต้องกลัวมันจะวอกแวก ถ้เราสํารวมสายตาเป็นใจมันก็ไม่ได้วอกแวกไปไหนบางคนบอกก็ไม่ได้สงสัยตาวอกแวกแหละแต่มันไปเห็นเพื่อนยกมือใจมันก็เลยวอกแวกไปกับเขาก็ให้เห็นใจนะ่ะแหะมันบางถ้านที่มันจะมาสนใจตัวเองดันไปสนใจคนอื่นเขาขายัน ก็แค่รู้สึกเฉยๆนะแค่ขยับเรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวเรารู้สึกหยุดก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้หยุดก็รู้ไม่ต้องไปหารายละเอียดว่าขณะ น, นี้กล้ามเนื้อกี่มัดนั้นมัดนี่มันเคลื่อนเลือดมันไหลลมมันไหลไม่ต้องไปไม่ต้องเอาละเอียดขนาดนั้นนะเราแค่รู้สึก ให้กายนี้เป็นดั่งเครื่องระลึกรู้ให้อิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวนี้เป็นเครื่องที่จะใช้ในการระลึกรู้พอเข้าใจไหม เราก็ไม่ต้องพะวงกลมหายใจด้วยไม่ต้องไปพะวงกลมหายใจไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องทำให้ลมหายใจกับการเคลื่อนไหวมันสอบประสานกันไม่ต้องห่วงเรื่องลมหายใจเพราะแม้เราไม่รู้กับมันมันก็หายใจมันไม่มีทางหรอกที่มันจะไม่หายใจมันเป็นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายมันทามาตั้งแต่เรา คลอดออกมาแล้วพอตั้งแต่คลอดออก้วปั๊บมันก็ถูกกระตุ้นให้ทำงานปั๊บเปิดสวิตตั้งแต่ตอนนั้นใช่หรือไม่มันดับสวิตไปเมื่อไหร่ก็คือท่านไม่ต้องกังวลกับมันให้คุณสนใจกับการเคลื่อนไหว แล้วก็รู้สึกกับการเคลื่อนแหวนั้นไป อพอกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้พระอาจารย์ให้เราได้ลองเจริญสติด้วยการใช้การเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะเป็นตัวกระตุ้นให้ภาวะรู้มันตื่นตัวมันทํางานทุกครั้งที่เราขยับปั๊บแล้เรารู้อ่ะเข้าใจไหมทุกครั้งแล้วขยับปับ๊บเรารู้เราหยุดเรารู้เนี่ยภาวะรู้เนี่ยมันเริ่มทํางานพรรัวรู้มันเริ่มทํางานงมันมากขึ้นมากขึ้น เป็นการกระตุน้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ากรใช้การรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยเป็นตัวกระตุน้นธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นให้ทํางานมากขึ้นชั้นใดก็เหมือนกันเราใช้การขยับเนี่ยเราจะงอมือเราจะเคลื่อนมือเราจะคลเข้ามาเนี่ยเข้าใจปะ ทนให้เกิดการ ร, ร, รู้เนี่ย <c oughs> ในระหว่างที่เรารู้กับการเคลื่อนไหวไปนั้นมีใครสังเกตบ้างว่าในระหว่างนั้นเราก็มีการมันมีอาการหนึ่งที่เรียกว่าคิดเปเรื่องอื่นมีไหมมีบ่ามีเนาะมีความคิดแว บ, บแว บ, บอยู่เลยใช่มอืมทุกครั้ง ที่มันแวบออกไปมีไหมที่บางครั้งมันเป็นเรื่องสั้นๆมีมหมมีใบที่บางครั้งมันเยอะอเป็นเรื่องเป็นราวบ้างมีไหมบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเนาะมีไหมบางครั้งที่มันวนไปวนมาเรื่องเดิมมีไหมบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีทำไมมันถึงต่างกันทำไมเรื่องบางเรื่องมันสั้นๆทำไมเรื่องบางเรื่องมันยาว เป็นเรื่องเป็นราวทำไมบางเรื่องมันวนไปวนมามีสติเลอประสบึกรู้สึกตัวชา้ารู้สึกตัวเร็ว อ, อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งมีเหตุปจัจจัยคือเรื่องตัวนี้ด้วยหนึ่งอย่างแล้วมีอะไรอีกไหมได้สังเกตไหมที่มึงคิดเป็นเรื่องเป็นราสําหรับมาคิดเรื่องอะไร เรื่องที่เรากังวลอยู่เรื่องที่เราทุกข์อยู่เรื่องสังเกตดูไหมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรามันคิดเรื่องอะไรก็ช่างอ่ะถ้าถ้ามันเกี่ยวกับเราเมื่อไหร่ปุ๊บอ่ะมีเราได้เราเสียมีมีเราเข้าไปในเรื่องราเหล่า น, นั้นอ่ะมันจะมีการยึดเยอใช่หรือไม่หรือไม่กังวลไปวนมายิ่งถ้ามันวนไนไปวนไปวนมานี่ยืนยันเลยว่านั่นแหละมันกําลังจะกอร่างสร้างทุกข์ยิ่งมนวนหลายรอบแปลว่ามันเริ่มยึด มันมีความเหนียวอะเข้าใจไหมมันมีความเหนียวมีความยืดยึดมั่นเหนียวแน่นเออแต่ไอเรื่องที่สัพเพเหระสังเกตดูไหมเพราะอะไรเพรมันสัพเพเหระเละไม่ได้มีเราไม่ได้มีเกี่ยวกับเราใช่หรือไม่แค่การสังเกตเห็นความคิดที่มันต่างกันตรงเนี้ยเริ่มมองเห็นหั้มเออเห็นปะ เพราะมันเผลอมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเราเป็นของเราอะ่ะเข้าใจยังแค่นเนี้ยแค่มันเป็นความคิดปรุงขึ้นมาเท่านั้นอะแล้วมันใส่ความหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าไปเท่านั้นเน่ะมันยาวเลยอือเห็นไหมมันที่ต้องการให้เห็นตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่รู้ตัว ไอ้ความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันเข้าไปเกาะกลุ่มเรื่องราวที่มันคิดขึ้นมานะ่ะเข้าใจไหมยิ่งมันเกาะกลุ่มเข้าไปแล้วมันมันมันต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวกลับมาเนะี่ยนั่นแหละคือกระบวนการปรุงแต่งความคิดเลยทีนี้ยาวเลยมันจะเกิดความเพลินเกิดความไหลเข้าไปจอมจ ม, จมไป็นเรื่องราวเ่านั้น นั่นคือสมุทัยนะนันทิราคะสหคตาโดยอำนาจแห่งความกำหนัดและความเพลินตัตรัตตราเป็นอันตินีและวเปความเพลินเป็นอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆไสยะทิทางนั่นแหละคือทุกขะสมุทโยเหตุแห่งทุกข์ก็จะยางอยู่นี้ มันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทันความคิดจึงเป็นกระบวนการที่จะพาเราไปเห็นการเกิดขึ้นของทุกข์เหตุแห่งทุกการดับลงแห่งทุกข์ และหนทางที่จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปแต่ความคิดเมื่อกี้ที่มันคิดขึ้นมาแวบแวบแวบแบเบแบบนี่ยใช่เราคิดไหมใช่เราคิดไหมฮะใช่เราคิดไหยใช่แล้วมันคิดเองหรือเราคิดฮะฮะ มันคิดเองหรือเราคิ ด, คดฮะดเราเราเรากำลังยกมือสร้จังหวะไม่ใช่เหรอเรากำลังทำกรรมฐานไม่ใช่เหรอแต่ตัวนั้นมันแว บ, บออกไปเองใช่หรือไม่เราเรียกอาการนั้นว่ามันลักคิดมันหลงคิดมันเผลอคิดนะ <c oughs> มีไหม เราคิดว่าอาการแบบนี้เยอะไหมในชีวิตเรา<ม>เยอะไหม <Yeah. S 1> แทบทั้งวันเ <laughs> มื่อวานี้มีคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเขามีข้อมูลนะเ้ามีข้อมูลแปลกมากเลยอ่ะเ้าบอกเขาเรียนจบมาจากอเมริกานะเมื่อวานนี้เขาพูดเขาบอกเขามีข้อมูลว่าคนเราคิดอ่ะวันหนึ่งอ่ะประมาณหกหมื่นครั้ง <laughs> ช่างมันเถอะเดี๋ยวไปหาว่ามันทับยังไงเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกับพูดเจ้าใช้คำว่าแปดหมืนสี่อ่ะเขาใช้คว่าแปดหมื่นสี่เออแปลว่าเยอะมากมันไม่ได้หมายถึงว่าจำนวนนะเออมันเป็นแบบว่าโห้ยเป็นล้านๆเลยอ่ะแบบเราว่าเฮ้ยวันนี้ ไปเที่ยวห้างไปเลยบ้างมันร้อนมากเลยอะคนเป็นล้านจริงๆถึ ง, ถงไหมแต่เคาว่าคนเป็นล้านนี่เป็นไง <S <S <S 2> <S 2> เอเอในความหมายของเราคือแบบเยอะมากคนว่าแปดหมื่นสี่เนี่ยมันเยอะมากเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาคนเราอะคิดอยู่ประมาณหกหมาื่น 60, ครั้งต่อวัน แต่เราจะรู้ทันจริงๆอะ่ะไม่กี่ครั้งหรอกเพราะที่เรารู้ทันคือความคิดที่หยาบๆแต่ความคิดที่ละเอียดลงกว่านั้นเนี่ยเราไม่รู้อวิชชาความไม่รู้เราไม่รู้เพราะฉะนั้น ความคิดที่มันละเอียดอ่อนบางๆที่เราไม่รู้หันเนี่ยมันซ่อนอยู่เพียบเพราะสังโยชน์ทำไมถึงแบ่งเป็นสิบชั้นมันก็เริ่มจากหยาบไปหาละเอียดแต่จะบอกให้ว่าสังโยชน์ทั้งหมดคือความคิด สังโยชน์ทั้งหมดคือความคิดเป็นความคิดตั้งแต่หยาบคือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราคือสักกายทิติจ <laughs> นละเอียดยิบลงไปคือไม่รู้ว่าตัวเองคิดคืออวิชชาเข้า <laughs> ใจไหม <laughs> เพราะฉะนั้นหลวงปู่เทียนจึงบอกว่า ธรรมะมันเป็นเคยได้ยินไหมธรรมะมันเป็นซั้นเป็นซั้นเป็นซั้นภาษาลวงปู่เทียนนะธรรมะมันเป็นซั้นเป็นซั้นอ่ะคือมาเป็นชั้นเป็นชั้นนะธรรมาเป็นซั้นเป็นซั้นนะเอาเอาภาษาบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อเขาหลวงพ่อพูดภาษาบ้านหลวงพ่อมะพร้าวมะพร้าวรู้จักไหมมะพร้าวมะพร้าวรู้จักไหม มะพร้า่มันมีเปลือกมีคาราหลวงปูเทียนว่าเลยเกรย์ฟังไว้หลวงกูเทียนเสียงน่ารักดีนะมันมีเปลือกมีคาราแล้วทุบคาราไปเน่ะเจอในมันขาวๆเน่ะนะในมันขาวๆอ่ะรู้จักในไหมันขาวๆไหมอะไรเนื้อมันเนื้อมะพร้าวไงขาวๆในมันขาวๆน่ะอ พะพ้าวมีเปลือก ม, มีเปลือกมีคารามีมีเนื้อมีน้ำมีเจ้าที่เราเห็นใช่ไหมหมดหรือยังยังมันมีกะทิแต่เราเห็นกะทิไหมมันต้องมีวิธีขันกะทิออกมาใช่เลยไหมหมดยังยัง ยังมีน้ำมันต้องอยู่ในกะทิอีกทีหนึง่งใช่หรือไม่นั่นไงก็ไอ้ที่เรามองไม่เห็นคือกะทิแล้วก็น้ํามันมะพราวนั่นแหละที่มันบางมากจนมองไม่เห็นมันซ่อนอยู่ข้างในจากรูปแบบที่หยาบหยาบอืมเพราะฉะนั้นการรู้ทันความเพ้อคิดเมื่อกี้ อาจารย์ถึงถามว่าเมื่อกิดที่มันคิดเนี่ยเราคิดแล้วมันคิดเองพรอตอนนั้นเราอยู่กับอะไรเราอยู่กับกรรมฐานใช่หรือไม่กรรมฐานประกอบด้วยสองส่วนคือใจกับฐานก็ภาษามันบอกว่ากรรมฐานว่าที่ตั้งของการระลึกรู้ก็อะไรเป็นระลึกรู้ก็ใจไง แล้วอะไรที่ตงที่งเรียกว่าฐานไงเนพราะใจไประลึกรู้กับอะไรจึงเลือกกรรมาฐานตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วเราเรียกการระลึกรู้นั้นว่าสตินะ ม, มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเข้ามาใหม่ละแต่ว่าอันเดียวกันนะเพีย <c> ง <oughs> เรียกชื่อใหม่คือพอมันทําการระลึกรู้เมื่อไหร่เรียกว่าสติโอเคไหมเพราะฉะพอมันไประลึกรู้ทุลมหายใจเรียกว่าอานา <c oughs> ปานาสติ ก็จริงๆก็คือใจไป ล, ลึกๆรู้ที่ลมหายใจเข้าออกข้าใจยางไงนะเท้าภาษาบาลีว่าบาทาเพราะเมื่อเราเอาใจไป ล, ลึกรู้กับการเดินของเท้าจึงเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าจงกม <laughs> งลมจะไปเผเรียกบาทาสติ <laughs> จะเรียกว่าจงกลม จงกลมคือการเดินอย่างมีสติคือมีภาวะแห่งการรละลึกรู้เพราะฉะนั้นคว่ากรรมาฐานประกอบด้กี่ส่วน2 ส, ส่วนคือฐานกับใจทานนี่เองแต่ฐานที่ดีที่สุดคือกายลมหายใจเข้าออกอิริยบทใหญ่อิริยบทย่อยเพราะฉะนั้นการมีสติรละลึกรู้กับกายที่เคลื่อนไหวก็จะอย่างเมื่อกี้เรามีสติเราลึกรู้กับกายที่เคลื่อนไหวอยู่ดีใช่ปะ มันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งก็คือแวะคิดออกไปแวะคิดออกไปถูกไหมตกลงไอ้ที่มันแวบคิดออกไปเนี่ยใครคิดสาธุเข้าใจง่ายดีเนาะมันคิดเองมันคิดเองนะอาการนี้เราเรียกว่าเผลอคิดหลงคิดรักคิดมันคิดเองเอาลองคิดถึง คิดถึงตอนที่ตัวเองเดินทางจากจากบ้านมานี่สิอ่ะลองคิดดิเอามาเรื่อยๆจนถึงนี่อ้าวเชิญลองคิดถึงการเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงเนี่มันผ่านอะไรมาบ้างถึงยังถึงแล้วยัง หรือใครยังลงแวะซื้อขลมอยู่เ <laughs> <laughs> มื่อกี้อะคิดไหมเมื่อกี้ใครคิดเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกเป็นเราคิดไหมเพราะว่าไอคิดเมื่อกี้มันคือตั้งใจคิดเออเมื่อกี้มันตั้งใจคิดมันจึงมีสติมีสมาธิตั้งกตดูไหมมีสติมีสมาธิ เ, าเป็นตัวควบคุมใช่ปะ เพราะสังเกตเลยว่าขนาดเราตั้งใจคิดมานั่นน่ะมันไม่บกแวกเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมีสติมีสมาธิอยู่ในการคิดนั้นมันมีความรู้สึกตัวอยู่ในตรงนั้นด้วยเรามันก็คิดมาเรื่อยๆคิดมาเรื่อยๆจนมาถึงนี้จบความคิดแบบนี้เราใช้เยอะไหมความคิดแบบนี้เราใช้เยอะไหมแบบตั้งใจคิดเนี่ยและแบบตั้งใจคิดกับเพื่อคิดอันไหนเยอะกว่ากัน เป็นการคําตอบที่สมานฉันมาก <laughs> เป็นเอกฉันอย่างยิ่งเลยเราจะตั้งใจคิดก็ต่อเมื่อเราต้องการหาคําตอบอะไรบางอย่างเราต้องการวางแผนการทํางานเราต้องการแก้ไขปัญหาสังเกตดูไหมเออเก็จะมีสติมีสมาธิในการคิดเนาะอันเนี้ยวันวันหนึนน่งก็ไม่มากหรอก <laughs> นอกนั้นก็เลืล่อนเนฮะเพราะในความตั้งใจคิดเนี่ย มันมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวอยู่มันไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจไหมเพราะไอความคิดที่จะมีปัญหาคือเพ้อคิดนั่นแหละเห็นไมเพ้อคิดนั่นแหละผละาะการที่เราจเจริญสติที่อาจารย์บอกว่าหลายคนจึงมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติหลายคนจึงมุ่งนไปสู่การกดข่มความคิดอะ มันจึงไม่ได้อะไรนอกจากทาให้มันสงบแต่ถ้าเรารู้ทันความเผลอคิ ด, ดเรื่อยเราจะเห็นการทำงานของความเผลอคิดที่สำคัญก็คือถ้าเรารู้ทันเร็วขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความเผลอคิดเนี่ยมันกลายเป็นส่วนประกอบคุณจะเห็นการทำงานของสัญญา แล้วคนในการทางาของสังขารนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ทางความเพ้อคิดขันห้ามันจะแตกกระจายออกมาให้คุณเห็นมันจะกระจายตัวให้คุณเห็นคราวนี้คุณไม่ได้เรียนขันห้าพัานตัวหนังสือมันได้เรียนขันห้าพัานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ควรเรียนขันห้าพัานรูปกาย นั่งนานๆปวดเมื่อยไหมเวทนาความคิดเกิดขึ้นสัญญาเข้ามาทำงานสังขารเข้ามาปรุงต่อวิญญาณคือภาวะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสังเกตดูมันเท่า น, นั้นเองเราไม่รู้จักมันอืม เข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ทันความเผลอคิดเห็นกระบวนการคิดที่มันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะทําให้คุณสามารถเห็นเลยเพอเห็นความเผลอคิดบ่อยๆปุ๊บมันจะทําให้เราเข้าใจเลยอ๋อกายเนี่ยไอต้ตัวเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะไอ้ตัวคิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งกลายแป็ว่าตัวเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเป็นวัตถุที่ถูกรู้ ตัวความคิดก็เป็นวัตถุที่ถูกรู้มีภาวะรู้เป็นผู้รู้กับอาการทั้งสองตัวภาวะรู้ที่รู้ว่ามีการทำงานของอาการทั้งสองตัวนี้เราเรียกว่าวิปัสนาญาณเข้าใจอย่างนี้เพราะวิปัสนาญาณที่หนึ่งคือการแยกได้ว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตอะไรคือรูปอะไรคือนาม มองออกแยกออกไม่เห็นเป็นหนึ่งเดียวแล้วแต่เห็นเป็นส่วนประกอบไอ้ก้อนเนี้ยกลายเป็นส่วนประกอบของกายที่เห็นผ่านอิเดียบทส่วนประกอบอีกอันหนึ่งคือจิตที่เห็นผ่านความคิดเมื่อกี้อาจารย์ถามไงไอ้เพิร์คคิดเมื่อกี้ใครคิดฮะ ไอ้พิ่งคิดเมื่อกี้ใครคิดมันคิดเอง <laughs> ใช่หรือไม่เอ้ามาเริ่มดูกันอีกตั้งใจตั้งใจเรามาดูอีกเพราจริงๆมันมีจริงไหมที่มันคิดเองเรามองให้ออกตัวหนึ่งเคลื่อนไปไปมาจริงไหมอีกตัวหนึ่งคิดไปมีไหมวัตถุตัวหนึ่งวัตถุหนึ่งผ่านอริยาบถเห็นมันผ่านอริยาบถ วัตถวหนึ่งเห็นมันผ่านความคิดมันทำงานพลังงานจริงไหมมันมีการงานที่แตกต่างมันมีอาการที่แตกต่างมันมีหน้าที่ที่แตกต่างมันมีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างไหมหลวงปู่เทียน่ึงใช้คำว่าเห็น <c oughs> รูปมันทำเห็นนามมันทำหลวงปู่เทียนไม่ใช้คาว่าเห็นะรูปธรรมเห็นนามธรรมนะหลวงปู่เทียนใช้คำว่าเห็นรูปมันทำ เห็นนามมันทำรูปกายนี้มันทำอะไรมันทำยังไงมันมีลักษณะอย่างไรมันมีอาการอย่างไรนามหรือจิตนี้มันทำอะไรมันมีหน้าที่อะไรมันมีอาการอย่างไรขาจาย์ยังเค่นี้ต่างกันตรงนี้ม่าเป็นคาพูดที่แบบตอนแรกอาจารย์อ่านเจอครั้งแรกนะหลวงปู่ทำไมใช้คำแบบนี้เนาะ ทำไมเราฮะเพราะอะไรเพราะเราเคยเรียนมาแต่ควาว่ารูปธรรมนามธรรมาใช่หรือไม่เป็นคําที่เขาใช้กันมากเลยรูปธรรมนามธรรมาแต่ปรากฏว่าไปอ่านไปอ่านคํำพจน์ของหลวงพ่เทียนหลวงพ่อเทียนเขบอกว่าเห็นรูปมันทำเห็นนามมันทำอะไรแต่พอเรามาปฏิบัติเรีนเข้าใจว่า อ๋อที่หลวงปู่เทียนใช้คำพวกเนี้เพราะหลวงปู่เทียนต้องการแยกแยะให้เราเห็นชัดเจนขึ้นคาว่ารูปธรรมนามธรรมมันเลื่อนลอยนะแต่เห็นรูปมันทำนามมันทำรูปมันทำอะไรมันมีอาการยังไงมันทำงานอะไรมันแสดงออกอย่างไรนามมันทำอะไรมันมีอาการอย่างไรมันแสดงออกอย่างไรมันมีหน้าที่อย่างไร มันต่างกันอย่างชัดเจนเลยตรงนี้แหละลองสังเกตดูนะพร้อมเริ่ม สังเกตไหมว่าขนาดที่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันก็จะมีความคิดปรากฏอยู่หนึ่งๆมีไหมอืมคิดของมันเองใช่หรือไม่มันคิดของมันเองในขณะบางครั้งบ่าโอกาสความปวดเมื่อยก็เริ่มแสดงตัวออกมามีไหมอืมมนันขึ้นมาเองมันเองไหม หรือเราเป็นคนชวนให้มันมาล้ว เ, เป็นคนเรียกมันไหมผักใสมันได้ไหมเออมันก็เป็นของมันเองนอกจากจะมีความคิดเผลอคิดไปเรื่อยๆแล้วยังมีของแถมอีกไหม <Yeah. S 1> อะไร <laughs> <laughs> ง่วง <laughs> ใช่ไหมเ อ, อง่วงก็ผ่านมาเป็นแบบๆเหมือนกันใช่หรือไม่ มาเดี๋ยวก็ไปมาเลีวก็ไปอยู่นั่นแหละใช่ปะ่ะเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นลองสังเกตดูว่าพอเราไม่ให้ค่าให้ความหมายกับมันอ่ะเราลองไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายกับมันคือเราแค่แค่รู้กับมันแล้วก็ผ่านไปแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวของเราไปสังเกตดูสิมันก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเหนือเรา เพลงแต่มันก็จะทำหน้าที่ของมันเวท น, นาก็จะบีบคั้นง่วงก็จะเริ่มแรงบ้างค่อยบ้างมีไหมมีแรงบ้างค่อยบ้างไห ม, มปวดปวดตามเนื้อตามตัวปวดเมื่อยมีแรงมีค่อยไห ม, มนั่นแหละมันก็แสดงความเป็นความไม่เที่ยงอยู่ในตัวของมันนั่นแหละ ก็สังเกตดูไป ในความรู้สึกตัวนี่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณนะน่ยถ้าเราทํำดีๆเราอยู่กับความรู้สึกตัวได้ดีๆเนี่ยนะมันทําให้เราไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาด้วยนะเป็นผู้อยู่เหนือการเวลาจริงเพราะมันเป็นปัจจุบันขณะ แต่ละขณะที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมมันจะไม่ต้องไปผูกพันกับเวลาใดๆไม่มีอดีตไม่มีอานาคต มีเพียงขณะที่ปรากฏและขณะที่ดับไป หยับให้สบายสบาย <c oughs> เป็นไงสังเกตไหมนะว่าในระหว่างที่เรานั่งยกมือสร้จังหวะหรือในระหว่างที่เราทำกรรมฐานอยู่นั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้แค่การเคลื่อนไหวของกายอย่างเดียวใช่ไหม มันไม่ได้มีปรากฏการเล่อกายเคลื่อนไหวอย่างเดียวใช่ไหมมีอะไรอีกมีใจที่มันคิดออกไปอีกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นงานเป็นการเข้ามาเลยเป็นใช่หรือว่าอย่างที่หนึ่งมีอะไรอีกมีอาการง่วงปรากฏให้เห็นอีกมีอะไรอีกมีปวดเมื่อยให้เห็นอีกใช่หรือไม่เพราะการการที่ตั้งกรรมาฐานะระลึกรู้กับกายเคลื่อนไหว มันไม่ได้เห็นแก่กายเคลื่อนไหวยังเห็นจิตใจที่คิดไปยังเห็นอาการของกายที่แสดงออกในความเป็นเวทนาทางกายปรากฏออกมาให้เห็นยังเห็นนิวรณธรรมซึ่งเป็นส่วนของธรรมารมก็ปรากฏให้เห็นแล้วขณะที่เราทําไปทำมาเดี๋ยวปวดอุจจาระเดี๋ยวปวดปัสสาวะมีไหมเดี๋ยวลมตีท้องปั่นป่วนมีไหมเดี๋ยวคันตรงนู้นเดี๋ยวคันตรงนี้มีไหม เราไม่ได้เห็นแค่การเคลื่อนไหวของกายนั่นคือสิ่งที่อาจารย์พูดตอนแรกไงว่าถ้าเราตั้งตั้งใจยายการปฏิบัติในลนักษณะการตั้งทงว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นจะต้องได้อย่างนี้เท่านั้นเราจะไม่เห็นอาการเหล่านี้เลยหรือเราจะรังเกตอาการต่างๆที่ปรากฏเหล่านี้ด้วยซ้ําใช่หรือไม่แต่พอเราไม่ได้ตั้งคงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น แล้วแค่รู้สึกตัวเราตั้งเป้าหมายการปฏิบัติคือเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวปรากฏว่าในระหว่างที่เรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวไปกลับมีอาการต่างๆของกายปรากฏให้เราเห็นเยอะไหมแล้วอาการต่างๆของกายที่ปรากฏเหล่านั้นใช่เราเป็นคนทํำไหมฮะไม่ใช่ปวดอุจจระปวดปัดปสสาวะมันทําเองไหม ในสภาพมันก็จะหิวนะเนี่ยทำเองไหมมันเป็นของมันเองไหมมันเป็นของมันเองใช่หรือไม่เวทนาก็ออกมาทำงานของมันเองใช่หรือไม่ความคิดออกไปทำงานของมันเองใช่หรือไม่ความว่างเหงาหา น, น, นิวรณธรรมส่วนของธรร ม, มารมณ์มันก็ปรากฏออกมาทำงานของมันเองใช่หรือไม่เออ โปรงมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่มาทํางานของมันเองมาประเดประดังทุบตัทุบนวนทนํานี้ทำนี่ฮนี่ไงถ้าเราวางใจเป็นกลางกลางรู้สึกตัวแล้วสังเกตกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละขณะเราจะเห็นเลยว่าเยอะเยอะไหมยเยอะไหมนี่แหละที่มาคําว่าเยอะนั่นเองอะ่ะ เยอจริงๆใช่หรือไม่ไม่รู้อะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นข้อมันเองทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ทําไมครูบาอาจารย์ท่านถึงให้เราอยู่กับกรรมาฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นนานๆถ้าดูลมหายใจครับรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนะถ้าเดินจงกรม ก, มก็ก็เดินจงกรมไปเรื่อยๆนะ ถ้ายกมือสั้นยังแบบก็ยกมือสั้นยังแบบไปนานๆเรื่อยๆนะที่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าขณะที่เราทํากรรมฐานอยู่มันไม่ได้มีแค่กรรมฐานที่ปรากฏไงมันกับมีอาการต่างๆปรากฏขึ้นเยอะแยะมากมายเลยใช่หรือไม่ใช่นี่ไงก็ตัวอาการต่างๆที่ปรากฏเหล่านี้ล่ะที่จะทําให้เรามองเห็นความเป็นจริงว่าเฮ้ย มันทำของมันเองทั้งนั้นเลยมันเป็นของมันเองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายไม่ว่าจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจมันเป็นของมันเองทั้งนั้นการเรียนรู้อย่างนี้แหละที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งทงว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่เป็นการทำความรู้สึกตัว ให้มันตั้งอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เห็นทุกอาการที่ปรากฏขึ้นนั้นอย่างที่มันเป็นเมื่อกี้สังเกตไหมว่ามีไหมที่บางครั้งเราเผลอไปไปไม่พอใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏมีไหมมีไหมพอเราไปไม่พอใจปุ๊บสังเกตไหมว่ามันลากเราเข้าไปเป็นทุกข์ด้วย มันมีผลความเป็นทุกข์ตามมาทันทีเลยเมื่อเราไม่พอใจใช่หรือไม่แต่พอเราแค่เห็นมันเฉยเฉยอะเราเป็นทุกข์กับอาการต่างๆเหล่านั้นไหมเรากลับไม่ได้เป็นทุกข์กับอาการต่างๆเหล่านั้นทั้งทั้งที่อาการเหล่านั้นมีไหมความต่างมันอยู่ที่ตรงนี้ความต่างอย่างตรงที่ว่าพอเราท่งความรู้สึกตัวแล้วขณะที่เรารู้สึกตัวไปนั้นมันกลับมีอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นทั้งทางกายและทางใจ โอเคไหมเราเห็นอย่างนี้แล้วระดับที่หนึ่งลำดับที่สองเราได้สังเกตว่าพอเราเผลอที่จะเข้าไปไม่พอใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับกายกับใจมันกับดึงเราไปเป็นทุกข์มีไหมพอเราไม่พอใจกับมันปุ๊บมันลากเราไปเลยเรากลายเป็นทุกข์ทันทีใช่หรือไม่นั่นคือลําดับที่สองที่เห็นอยู่ในลําดับที่3ามเคยสังเกตไหมว่า แต่พอเราไม่ไม่ไปไม่ไปยินดีไม่ไปยิน้ายกับอาการต่างๆเหล่านั้นเราแค่รู้สึกตัวรอกับไม่เป็นทุกข์กับอาการต่างๆเหล่านั้นเลยใช่หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งสิน้นอาการเหล่านั้นยังมีอยู่ไหมมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละใช่หรือไม่ดูความต่างสิอาการต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมา แล้วเราเผลอไปไม่พอใจมันกลับนำพาเราไปถไปทุกข์ใช่ไ่มกับอาการเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่เราเฉยๆเรารับรู้กับมันแล้วเราอยู่กับความรู้สึกตัวเรากลับไม่เป็นทุกข์กับมันเรื่องเดียวกันเกิดเหมือนกันแต่กับส่งผลต่อความเป็นทุกข์กับความไม่ทุกข์กับเราต่างกันไหมมันอยู่ที่ตรงไหนล่ะอะไรเป็นตัวทําให้เกิดความต่าง ตรงที่เราไปให้ค่าความหมายกับมันหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ไหมอาการที่เราไปให้ค่าให้ความหมายกับสิ่งนั้นเราเรียกว่าอุปาทานง่ายๆแค่นี้ก็เพราะเราเข้าไปยึดอะจะยึดด้วยอะไรก็ตามอะคือเราไปให้มีความหมายกับเราเมื่อไหร่ปุ๊บจะหมายบวกหรือหมายลบเข้าใจไหม แต่ถ้าเราไม่ให้ค่าความหมายมันมันก็มีอยู่แค่นั้นน่ะแต่เราให้ค่าความหมายมันมันก็มีแต่มันเพิ่มความไม่ทุกข์ของเราแต่พอเราไม่ให้ค่าความหมายมันมันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่เรากลับไม่ทุกข์นั้นพิสูจน์กันได้ตรงเนี้ยตรงๆเลยเพราะถ้าคุณเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์มันไม่ได้ใช้เวลานานนั้นพิสูจน์เป็นทันทีเป็นสันทิทิโกทันที เข้าใจไหมมันวิสูน์ได้ทันทีเป็นสันทิิโกเป็นกายลีโกไม่ขึ้นกับกายเวลาทำตอนนี้รู้ตอนนี้เ <c oughs> ข้าใจไห ม, มและตอนนี้ก็ได้เวลาต้องไปฉันเพง <c oughs> ไม่ท่านอาจารย์สอนไปเรื่อ ย, อยๆก็จะมีคนทุกข์แทนอาจารย์ จะเริ่มมีคนเริ่มดูนาฬิกาทำไมอํจารยไม่เปฉันเห็นบ่อยเห็นอาการนี้บ่อยมากกับญาติโยมก็เรียกว่าอ่ะไปไปฉันดีกว่าก่อนที่เขาจะทุกแทนเรา